ขาดเดียวกันถ้ากล่าวไปถึงพูดถึงการแสดงฤทธิ์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ผู้ใดจะมีฤทธิ์เท่ากับพระพุทธเจ้าฤทธิ์ของพระองค์เนี่ยระดับสูงสุดคือย่ำมะกะปาฏิหารนะในบรรดาผู้ที่มีฤทธิ์สูงสุดก็คือแสดงย่ำมะกะปาฏิหารเป็นปาฏิหารไม่ทั่วไปแก่สาวกไม่ทั่วไปแก่นาคอมนุษย์เทวดานะหรือพรม ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์พิเศษระดับสูงสุดคือย่มกะปาฏิหารถ้าพูดถึงหูของพระพุทธเจ้ามีเสียงไหนบ้างในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเป็นต้นที่พระองค์ไม่ได้ยินไม่มีพระองค์ประสงค์จะฟังหรือเปล่าแค่นั้นแหละแล้วก็ในบรรดาสภาพจิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายใครที่คิดอะไรเนี่ยอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้พระองค์รู้หมดว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยคิดอะไร และในบรรดานโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกที่ประชุมรวมกันทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตรวจสอบได้เลยว่าความคิดในส6ประเภทแต่ละคนยุอยู่ในความคิดกลุ่มไหนพระพุทธเจ้าจะไม่คิดแบบพวกเราพวกเราจะสนใจว่าเขาคิดเรื่องอะไรกันเขาคิดอะไรเขาคิดทำไมเขาคิดให้มันเป็นอะไรพวกเราจะสนใจในลักษณะนี้แต่ของพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าไอสภาวะของความคิดของเขาเป็นอย่างไร ความคิดของเขาเจือด้วยราคะหรือเจือด้วยโทสะหรือเจือด้วยโมหะหรือไม่เจือด้วยราคะโทสะโมหะเลยนี่มันประเภทระดับกามาวจรหรือรูปาวจรอะรูปาวจรความคิดของเขามันตั้งมั่ น, รนหรือไม่ตั้งมั่นฟุ้งซ่านหรือง่วงหรือซึมอะไรเป็นต้นพระองจะแยกแยะตัวสภาวะความคิดเรียกว่าอ่านค่าของความคิดตามเป็นจริงนะ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 อัน น, นอรหังสวดมนต์เมื่อไร่ก็เข้าใจอยู่เท่านั้นเป็นต้นเนะไม่เคยเพิ่มเลยสัมมาสัมพุทโตก็ไม่ขยายความมาให้มันกว้างขวางอะไรเลยอนุรักษ์ได้เหมือนเดิมเหมือนกันเรียกว่าพวกถิติภากขยะหรือวิเศษภากขยะเจริญขึ้นเจริญขึ้นหรือนิเพทภากขิะใกล้จะบรรลุแล้วใกล้จะกําหนดรู้วลนี้ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยศาสตร์แล้วนะแล้วพระองค์ก็ยังรู้ด้วยนะว่า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 นั้นพระองค์นั้นปฏิญาณตนได้ว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะไม่มีสิ่งที่พระองค์ไม่รู้พระองค์ปฏิญาณว่าพระองค์เป็นขีนาสวะเพราะไม่มีอาสวะส่เหลืออยู่เลยพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดมีโทษสิ่งนั้นก็มีโทษจริงพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขปฏิบัติอยู่ในโพธิปัจจะธรรมแล้วเป็นไปเพื่อสุขก็เป็นไปเพื่อความสุขอย่างแท้จริงทีนี้บางคนเนี่ยนะ อเก่งแต่ในกระดองเขาว่างั้นเก่งแต่เฉพาะในบ้านนะก็ลักษณ ะ, ละเก่งประเภทข่มขู่คนในบ้านแต่ออกนอกบ้านนีนจ้องเหมือนกับแมวไม่ได้ทานอาหารมาตั้งหลายวันแล้วเหมือนนันไม่ใช่พระองค์นี่นายบรรดาบริษัทแปดขติยาบริษัทพราม์รามบริษัทเครืหัปดีบริษัทสมณะบริษัทหรืออามนุษย์บริษัทไม่ว่าจะเป็นจาตุมดาววดึงบริษัทมารนบริษัทพรอ้อมพระองค์ก็องค์อากแกล้ากล้าหาญใน บริษัทเหยียบสรรพสัตว์เหล่านั้นด้วยปัญญาครอบงำสรรพสัตว์เหล่านั้นด้วยปัญญาพัน์พระองค์จึงรอบรู้สรรพสัตว์ ท, ทั้งมวลอย่างไม่มีเหลือพัน์พระองค์นี่เป็นผู้ที่องค์อาจกล้าหาญไม่สะทกสะท้าน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 สัตว์นรกกรรมเหล่าใดที่เขาทํานํามาสู่ความเป็นเดรัจฉานกรรมเหล่าใดที่เขาทําแล้วนํามาสู่ความเป็นเปรียกกรรมเหล่าใดนําให้เขามาเกิดเป็นมนุษย์หรือกรรมเหล่าใดทําให้เขาไปเกิดเป็นเทวดาหรือเขาปฏิบัติเช่นไรจึงแทงตลอดปัญญาวิมุตตเจโตวิมุตตอัหาอาสวะไม่ได้บรรลุอรหัตตะพนั้นพระองค์รอบรู้สิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงโดยไม่มีส่วนเหลือ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 ดันก็เลยเป็นลักษณะแบบบุคคลกลุ่มนั้นทําให้คนห่างจากพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและพระสังครัตนะไม่ต้องการให้คนนี้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจะได้เข้าสู่หนทางกระวะเข้าทางเข้าเลยมันไงเข้าทางเข้าทางไหนเข้าทางที่เขาดักหลุมพรางถ้าคนที่เป็นพวกหาปลาเนี่ยเขาจะรู้วิธีการของล่อปลากระวะวิธีล่อปลาเข้าหลุมพราง เขาก็เวลาเนี่ยนี่น่นาเน้นพ้นไปแล้วถ้าเป็นประมาณสักพฤศกิกกาธันวานะที่ไหนที่ปลาชุกชุมเขาใช้วิธีโดยที่เบ็ดก็ไม่ต้องใช้ตาข่ายก็ไม่ต้องวางแต่ปลานี่มาเข้าคล้องโดยธรรมดาของมันเองก็มีวิธีล่อวิธีล่อก็ถ้าคืออะไรก็ไปเอาโครนที่มันมีกลิ่นเหมือนโครนเก่าโครนแก่มาแล้วมาวางให้มันมีกลิ่น แล้วก็ทําให้มันมีโคลนไหลลื่นๆเพราะฉะนั้นปลานี่มันได้กลิ่นเข้ามันอยากหาที่พึ่งพิงที่แน่นอนก็นึกว่าไอ้โคลนตรงนั้นเนี่ยเป็นโคลนที่เรียกว่าเป็นน้ําขังตลอดตีเรียกว่าเป็นเหมือนกับแมแม่แมน้นํานี้ห่วงน้ําใหญ่มากเขาไปเอาโคลนมาจากที่อื่นมาล่อมาวางเสร็จแล้วปลาก็เข้าทางทางอะไรทางหม้ อ, อกแกงนะทางเรียกว่าทางปลาเผาหมดเรียบร้อยในที่สุดก็ถูกเผาเกลี้งลยงละนั้ เรียกว่าปลานี่เดินเข้าทางมันมิจฉาทิฐิบุคคลทั้งหลายก็เช่นนั้นเหมือนกันเนี่ยนะมันก็พยายามที่จะปฏิเสธพระพุทธคุณการที่เขาปฏิเสธคุณของพระตัตนตรัยเขาไม่รู้หรอกว่าเขากําลังพลีชีบระเบิดตัวเองเนี่ยนะจากสุขติโลกสวรรค์นะสละตัวเองเรียกว่าเดินทางไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเขาไม่รู้ตัวหรอกขณะเดียวกันเขายังวางกับดักกับดักเพื่อคนอื่นเนี่ยนะเพื่อให้คนอื่นไปลงหม้อกแกงเหมือนกันเนี่ยนะ เพราะอะไรพราคติสองของมิจฉาทิฏฐิก็คือนรกกัะเดรนฉานถ้าเป็นเดรฉ า, านก็กุ้งหอยปูปลาไปไหนดีล่ะก็ไปหลงไปสู่หม้อแกงงให้คนอื่นเอาไปต้มเอาไปแกงเพราะนั้นเราก็เนี่ยโทษของความไม่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าพันการศึกษาพระธรรมอย่างไรก็ต้องเพื่อเจริญสัททินสีวิริยินสีปัญญินสีสมาทินสีเป็นต้นเราคิดดูนะว่าสมัยพุท ธ, ธกาลเนี่ยนะ มีสุนัขขตาริชวีบุตรคนเดียวเท่านั้นแหละที่ออกมาด่าพระพุทธเจ้าในจํานวนประชากรเป็นพันล้านนะที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นหมื่นล้านเนี่ยนะที่เขาบรรลุมไม่รู้กี่โกรธต่อกี่โกรธที่เขาออกมาปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่มีเลยผู้ที่บรรลุทำมไม่มีเลยมีแต่สุนัขขตาริชวีผู้เป็นคนมักโกรธเท่านั้นเองเป็นคนที่มักโกรธคิดว่าพระพุทธเจ้าริษยาเขาคิดว่าพระพุทธเจ้าเนตรหนีใน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 พระ อ, องค์บอกว่าถ้าไม่ละวาจานั้นเสียไม่ละวาจานั้นเสียไม่เลิกคิดแบบนั้นเสียไม่สละความเห็นนั้นเสียเที่ยงแท้แน่นอนที่จะตกนรกเหมือนนายนิริยบาลจับมาวางไว้ในนรกเช่นั้นก็ว่างกันอัตถกถาท่านบอกว่าเหมือนนายนิรยบาลจับมาวางไว้ในนรกเท่านั้นบางคนก็บอกว่าจะไปกลัวทําไมานรกเนี่ยนะอา้าวชีวิตของคุณจะเป็นมนุษย์ตลอดไปหรือก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าโลกอันชะลานําไป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 ผู้ใดเป็นต้นนั้นถ้าเลื่อมสบุคคลทั่วๆไปนั้นเป็นอย่างไรหรือเราจะเลือกเชื่อใจตัวเอง